ฉันก็เป็นพนักงานที่ดีเจ้านายว่าด่วนก็เร่งไปให้อย่างรีบด่วนอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินนานทีปีหนนใช่ว่าเจ้านายจะโทรมาด้วยน้ำเสียงแบบนี้บ่อยๆช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงแล้วเกิดอาการหนังท้องตึงหนังตาย่อนเล็กน้อยสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณภาพจิตเริ่มเสื่อมถอยจะเหมือนมีฝ้าฟางมาบดบังทศัศนวิสัย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 แต่มีสติสัมปะชัญญะดีขณะเจรจาน้ำเสียงก็จะราบเรียบคลื่นจิตที่ลอยไปกระทบคู่สนทนาก็เงียบสงบเมื่อไรร่องรอยของปรปักษ์ส่วนลึกของคู่สนทนาย่อมไม่ปรารถนาจะเป็นปรปักษ์ด้วยอย่างน้อยก็ชั่วเวลาที่จิตเราดำรงอยู่ในสติสัมปะชัญญะนั้นงานเสร็จทัน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 อิ่มสติปรากฏเด่นอยู่